สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิจพิบาล น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในกฎทองคาข้อที่1น1นั่นคือการแบ่งปันครับ5คือเรื่องของการอธิษฐานซึ่งเป็นหัวข้อย่อยในเช้าวันนี้พระวจนะของพระเจ้าปรากฏอยู่ในพระธรรมโยบบทที่42ข้อที่10ครับพระธรรมโยบบทที่42ข้อที่10โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้า และพระเจ้าทรงให้โยบกลับสู่สภาพดีเมื่อท่านอธิษฐานเพื่อสหายของท่านและพระเจ้าประทานให้โยบมีมากเป็นสองเท่าของที่มีอยู่ก่อนในพระคัมภีร์โยบตอนนี้นะครับมีข้อที่ทำให้เราชะงนและแปลกใจก็คือข้อที่เขียนว่าเมื่อโยบอธิษฐานเพื่อสหายของท่าน พระเจ้าประทานให้โยบมีมากเป็นสองเท่าที่มีอยู่ก่อนเวลาที่เราอาธิษฐานเผื่อพี่น้องของเรานะครับตัวของเราก็จะได้รับพระพรเพราะฉะนั้นการแบ่งปันคําอธิษฐานนั้นไม่เพียงจะทําให้คนอื่นได้รับพระพรตัวเราเองผู้อธิษฐานเผื่อคนอื่นนั้นก็จะได้รับพระพรด้วยเหมือนกันพี่น้องครับโยบนั้นได้รับพระพรมากกว่าเป็นสองเท่าของที่มีอยู่ เป็นไปได้ครับที่เราทั้งหลายจะได้รับพ ร, พรมากมากมากจริงๆครับอีกครั้งหนึ่งครับที่ทำให้เราเห็นถึงการหมุนเวียนวงจรของการแบ่งปันการแบ่งปันในวันนี้คือการแบ่งปันคำอธิษฐานเพื่อคนอื่นซึ่งเป็นทานน้ำใหญ่หรือร่องน้ำใหญ่ของการแบ่งปันพระเจ้าทรงรับฟังคนที่อธิษฐานเผื่อคนอื่นครับมีคนแม่คนหนึ่งชื่อนางเรเบคก้า นางไรเบกาท่านนี้เป็นคุณแม่ของเชนออกัสตินอธิษฐานเผื่อลูกถึง10ปีในที่สุดลูกกับใจใหม่และพระเจ้าทรงใช้ออกัสตินเป็นอย่างมากท่านถูกขนานนามว่าเป็นลูกแห่งน้ําตาของคุณแม่เป็นลูกแห่งน้ําตาของคุณแม่คุณแม่อธิษฐานเผื่อออกัสตินจนกระทั่งออกัสตินกับใจใหม่และกลายเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงใช้ยอย่างมากมาย อีกท่านหนึ่งครับก็คือด็ออร์จอนซงด็ออร์จนซงนั้นเป็นนักเทศฟื้นฟูชาวจีนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์คริสเตียนจีนก่อนที่จะทำการฟื้นฟูแม้ร่างกายของท่านจะอ่อนเปลี่ยเพียแรงมากแต่ท่านลุกขึ้นแต่เช้ามืดอธิษฐานเผื่อคนที่ฝากให้อธิษฐานทีละคนทีละคนต่อพระพักของพระเจ้า ในปอดศาสตร์คริสเตียนคนจีนนั้นมีผู้รับใช้ท่านหนึ่งพระเจ้าทรงใช้ท่านมากท่านคือศาสนาจังเตงหลิงมุยถูกขนานนามว่าเป็นมูดี้ของคนจีนครับโดยทั่วไปท่านใช้เวลา ม, มากในการเสนอชื่ออธิษฐานเสนอชื่อของผู้ที่ต้องการคําอธิษฐานในบัญชีรายชื่ออธิษฐานของท่านมีมากถึง 2,000 กว่าคนถึงสามพคนเลยทีเดียว ก่อนที่ท่านจากโลกนี้ไปท่านนอนป่วยอยู่บนเตียงหลายเดือนท่านยิ่งกระตือรือร้อนมากขึ้นในการอธิษฐานเผื่อคนอื่นตอนที่ท่านจากไปหน้าของท่านมีความชื่นชมยินดีและถูกพระเจ้ารับไปขณะที่ท่านอธิษฐานอยู่นั่นคือตัวอย่างสามตัวอย่างครับพี่น้องเนวันนี้ตั้งแต่นางไรเบก้าคุณแม่ของเซนต์ออกัสตินดรจอห์นทรงผู้ประกาศที่ยิ่งใหญ่ และศาสนาอาจารย์เต็งหลินมุยซึ่งเป็นนักเทศฟื้นฟูที่มีชื่อเสียงมากในหมู่คนจีนคนเหล่านี้เป็นผู้ที่แบ่งปันคำอธิษฐานเผื่อคนอื่นๆสเสมอมัทิบที่7ข้อที่8ครับพระกัมพีบอกว่าเพราะว่าทุกคนที่ขอก็ได้ทุกคนที่สแสวงหาก็พบทุกคนที่เคาะก็จะเปิดให้กับเขาข้อนี้ ศา ส, สนาจารย์ฟลิปเทงเขียนอย่างนี้ครับว่าข้าพเจ้าเข้าใจยากสำหรับพระกัมพีข้อนี้และรับไม่ได้แต่ภายหลังเกิดมีความคิดทำให้ข้าพเจ้าสามารถรับพัญญานี้ไว้ได้เหมือนกับว่าในพระบาทของพระเจ้านั้นมีเครื่องอัดลมอยู่ยเครื่องหนึ่งโดยผ่านทางเครื่องอัดลมนี้ทำให้คาอธิษฐานต่างๆสามารถ กลายเป็นที่พอบพระไถยของพระเจ้านั่นหมายความว่าพระเจ้ามิได้ประทานให้ตามคำที่ขอแต่การอธิษฐานด้วยความรักและความเชื่อพระองค์จะทรงกระทาให้สำเร็จตามพระไทยและวิธีการของพระองค์อย่างไม่มีตกหล่นความหมายที่สำคัญที่นี่ที่ซ่อนอยู่ก็คือว่าพระเจ้ามิได้ประทานให้ตามคำที่ขอ แต่พระเจ้าจะกระทําให้สําเร็จตามพระไทยและวิธีการของพระองค์ส่วนคําที่ขอนั้นนวาอธิษฐานเผื่อด้วยความ ร, รักและความห่วงใยแต่พระเจ้าเปลี่ยนครับไม่ว่าเราจะขออะไรก็ตามไม่ว่าจะถูกต้องตามน้ำพทยหรือไม่ไม่ถูกต้องอย่างไรก็ตามแต่พระเจ้าสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนสิ่งที่เราขอนั้นและตอบสิ่งที่ พระเจ้าเตรียมไว้ในเรื่องต่างๆให้สําเร็จตามน้ำพระทัยและวิธีการของพระองค์ไม่มีตกหล่นเลยนั่นคือการแบ่งปันคําอธิษฐานครับเรื่องต่อไปครับก็คือเรื่องการแบ่งปันของประธานพี่น้องครับของประธานเป็นพระคุณของพระเจ้าครับพระเจ้าประทานพระคุณให้กับเรามากมายและทรงประทานของประธานก็คือความสามารถในการทําสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นของประธานที่เกี่ยวข้องกับทักษะวิธีการหรือของประทานฝ่ายจิตวิญญาณก็ตามพี่น้องครับพระคุณมีไว้สำหรับส่วนตัวแต่ของประทานมีไว้สำหรับคนอื่นเพื่อช่วยเหลือคนอื่นเพราะฉะนั้นในขณะเดียวกันของประทานนั้นก็เป็นพระคุณของพระเจ้าด้วยเพราะว่าของประทานนั้นก็ทำให้เราสามารถที่จะมีความสามารถช่วยคนอื่นได้ พี่น้องขพระเจ้าประทานของประทานกับเราเพื่อให้คนอื่นได้รับประโยชน์แต่ไม่ใช่มีของประทานไว้เพื่อยกย่องตัวเองหรือทําให้ตัวเองพอใจเราอาศัยของประทานเสริมสร้างซึ่งกันและกันครับนั่นคือการแบ่งปันของประทานที่แท้จริงของประทานนั้นมีหลักการอยู่อย่างหนึ่งคือว่าขอได้ครับแสวงหาของประทานได้ถ้าเรามีท่าทีแห่งการที่เราขอของประทานแสวงหาของประทานนั้นเพื่อเป็นประโยชน์ เพื่อเสริมสร้างคนอื่นๆต่อไปเพื่อเสริมสร้างเครือจักรของพระเจ้าดังนั้นเองในเครือจักรนั้นสามารถที่จะมีของประธานได้หลายอย่างมากมายและมีเพิ่มเติมมากขึ้นด้วยเพื่อช่วยให้ชีวิตในด้านจิตอิน ญ, ญาณบริบูรณ์มากขึ้นนั่นคือการแบ่งปันของประธานซึ่งเป็นข้อ 1.6 ครับในข้อ 1.7 นั้นท่านศา ส, สาจา ร, รย์ดรฟิลิปเทง ก็จะพูดถึงเรื่องการแบ่งปันวงจรแห่งพระพรที่แบ่งปันเรื่องสามาัคคีธรรมในกลุ่มเซลล์หรือกลุ่มแครที่เรียกว่ากลุ่มสามาัคคีธรรมครับพี่น้องครับพระคัมภีร์กล่าวถึงการสามาัคคีธรรมในหมู่คณะมีถึง8อย่างครับภาษาอังกฤษใช้คําว่าเฟลโลชิพผมอยากจะขอขยายความคําว่าเฟลโลชิพนั้นมาจากคาว่าเฟลโล เฟโ w นัมคือหมู่คณะหรือกลุ่มครับหรือคาว่าเพื่อนฝูงพี่น้องครับในขณะที่คุณหมอนั้นเวลาที่ถูกฝึกไปอยู่ในระดับขั้นสูงสุดเขาเรียกว่าเป็นเฟ l ลเ l o w ก็คือว่าในสาขาไหนก็ตามครับจะมีกลุ่มวิชาชีพที่เขารวมตัวกันและเมื่อใครก็ตามที่เป็นหมอมาจากนอกกลุ่มแล้วได้รับการยอมรับเข้ากลุ่ม เขาเรียกว่าได้เป็นเฟลโลเพราะฉะนั้นการเป็นเฟลโลหรือการเป็นเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มนั้นก็มีศักิ์ศรีแห่งการยอมรับครับว่าคนคนนั้นหรือหมอคนนั้นได้เข้ากลุ่มเรียบร้อยแล้วหมายความว่ามีความสามารถมีความรู้มีฝีมืมอมีศักยภาพมีคุณสมบัติที่กลุ่มนั้นยอมรับได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราคิดถึงเฟลโลชิพก็คือการสามัคคีธรรมนั่นหมายความว่า กลุ่มหรือหมู่คณะซึ่งพระเจ้าได้ให้ผู้เชื่อทุกคนมีกลุ่มครับกลุ่มนั้นจะอยู่ที่ไหนอยู่ในครอบครัวใหญ่ก็คือคริสตจักรนั่นเองกลุ่มนี้มีทั้งหมดนะครับแปดกลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกแเราเรียกว่ากลุ่มความเชื่อเพราะเนักของพระเจ้าได้บอกว่าใครก็ตามที่มีความเชื่อเดียวกันเขาใช้ชีวิตร่วมกันอยู่ในกลุ่มนั้น แบ่งปันซึ่งกันและกันและเสริมสร้างความเชื่อให้เข้มแข็งขึ้นฟิลิปปีบทที่ 1: ข้อที่6เพิ่มพีกล่าวว่าพระเจ้าผู้ทรงตั้งต้นการดีในหมู่พวกท่านและในกิจการบทที่2ข้อ42เขาทั้งหลายได้ขมักขม่นฟังคำสอนของพวกอากาัครทูตและร่วมสมัมคิธธรรมนั่นแสดงถึงการใช้ชีวิตร่วมกันในกลุ่มความเชื่อเดียวกันครับแบ่งปันความเชื่อ หนุนใจด้วยความเชื่อเสริมสร้างความเชื่อเข้มแข็งกลุ่มที่2ครับคือการกลุ่มที่เรียกว่ากลุ่มประกาศเผยแพร่ฟลิปีบทที่1ข้อที่5กล่าวว่าท่านหลายมีส่วนร่วมในข่าวประเสริฐด้วยกันคริสเตียนที่อยู่ในกลุ่มนี้สนใจที่จะประกาศข่าวประเสริฐครับมีความสนใจร่วมกันหนุนใจซึ่งกันและกันพร้อมที่จะเผยแพร่ข่าวประเสริฐด้วยกัน กลุ่มที่สครับเรียกว่ากลุ่มที่ดำเนินชีวิตในความสว่างในหนึ่งยอนบทที่หนึ่งข้อที่เจได้กล่าวว่าแต่ถ้าดำเนินอยู่ในความสว่างเหมือนอย่างที่พระองค์ทรงสถิตในความสว่างเราก็ร่วมสามัคคีธรรมซึ่งกันและกันพี่น้องครับการแบ่งปันสามัคคีธรรมในกลุ่มแบบนี้นะครับก็คือ การที่พวกเขาจะช่วยเหลือกันและกันครับในการต่อสู้กับความบาปทำให้ชีวิตของตัวเองนั้นรับการชำระจากพระโลหิตขององค์พระเยสุคริสต์กลุ่มต่อไปครับกลุ่มที่4หนุนใจกลุ่มหนุนใจให้กำลังใจิฐิ ป, ปีบทที่2ข้อที่1ข้อที่2เหตุฉะนั้นถ้าชีวิตในพระคริ์อํานวยการเร้าใจประการใดถ้ามีการหนุนใจประการใดในความรักถ้ามีส่วนประการใดกับพระวิญ ญ, ญาณ ถ้ามีการรักใคร่เอ็นดูเห็นอกเห็นใจประการใดก็ขอให้ท่านทําให้ความยินดีของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยมพี่น้องครับเราเขีนว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มสามัญกิธรรมที่มีการหนุนใจครับมีการปลอบประมใจสำแดงความเมตตาเอ็นดูความชื่นชมินดีจะได้มีเต็มล้นในหมู่พี่น้องกลุ่มที่5ครับก็เรียกว่ากลุ่มบริการ2โครินโบที่8ปดข้อที่4กล่าวว่า และเขายังได้วิงวอลเรามากมายขอให้เขามีส่วนช่วยทำมิกชนด้วยกลุ่มนี้นั้นเป็นกลุ่มที่ช่วยให้คริสเตียนคนอื่นได้เรียนรู้นะครับฝึกฝนในการห่วงใยกันและกันช่วยเหลือคนอื่นทั้งปัจจัยต่างๆความช่วยเหลือจะมาครับจากกลุ่มนี้กลุ่มที่6ครับเรียกว่ากลุ่มยอมรับซึ่งกันและกันพี่น้องครับกาลาเทียพัทิสสข้อที่เก้กล่าวว่าเมื่อยากรอบและเคฟาสกับยอน ผู้ที่เขานับถือว่าเป็นหลักได้เห็นพระคุณซึ่งประทานแก่ข้าพเจ้าแล้วก็ได้จับมือขวาของข้าพเจ้ากับบารันดพัสแสดงว่าเราเป็นเพื่อนร่วมงานกันกลุ่มนี้นั้นจะยอมนับซึ่งกันและกันครับและร่วมแรงร่วมใจกันรับใช้พระเจ้ากลุ่มที่7ครับเรียกว่าเป็นกลุ่มที่ยอมจ่ายค่าเพื่อพระเจ้าหรือยอมจ่ายราคาทดแทนเพื่อพระเจ้าฟิลิปปิบทิศสาข้อบบอกว่าข้าพเจ้า ต้องการจะรู้จักพระองค์และได้รับประสบการณ์ในริศเดทเนื่องจากการที่พระองค์ทรงคืนพระชนนั้นและร่วมทุกข์กับพระองค์คือยอมตั้งอารมณ์ตายเหมือนพระองค์พี่น้องครับกลุ่มสามาัคคีธรรมนี้คือกลุ่มที่ยอมจ่ายราคาภาษาอังกฤษว่า pay the price ที่จะเรียนรู้นะครับในการมีชีวิตอยู่เพื่อสูญเสียบางสิ่งบางอย่างไปเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าครับเชื่อในไม้กางเขนแบกไม้กางเขน ตัวเขาถูกตรึงไว้บนไม้กางเขนเผยแร่ไม้กางเขนและอวดไม้กางเขนครับกลุ่มจุดท้ายในวันนี้ก็คือกลุ่มที่เป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเยซูคริสต์หนึ่งโครินโบที่1ข้อพระเจ้าเป็นผู้ทรงความสัตว์พระองค์ได้ทรงเรียกท่านให้สัมพันธ์สนิทกับพระบุตรของพระองค์คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพี่น้องครับคำว่าสัมพันธ์สนิทในภาษาเดิม ก็คือแปลว่าให้เหมือนพระเยซูความหมายรวมนั้นก็คือว่าคริสเตียนนั้นจะต้องร่วมเป็นใจเดียวกันกับพระเยซูในทุกๆเรื่องนี่คือกลุ่มที่มีใจเดียวกันมีชีวิตที่เรียนแบบพระเยซูพี่น้องครับทั้งแปดกลุ่มนี้จะต้องมีการแบ่งปันเกิดขึ้นครับนั่นคือหลักของวงจรแห่งพระพรในวันนี้อาเมน